ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินัยสังหะอัตถาพระสารีบุตรมหาเถระชาศสีลังการัจนาพระมหาอาคมธรรมาคโมแปลเรื่องที่28จะปจตุ ป, ปัจจะยภาชนิยวินิชยกถากาถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องการแจกแ็นปัจใจสีต่อ ทายกผู้หนึ่งนำบาทที่ให้เฉพาะสงแล้วให้ถือเอาตามลำดับไปบรรจุบาทเต็มด้วยของกบเขี้ยวและของฉันอันประนีนำมาถวายว่าท่านเจ้าข้าสงทั้งปวงจงบริโภคพัดนี้พิกษุทั้งปวงพึงแบ่งกันฉันแต่ต้องวัดลำดับแม้ที่ล่วงไปแล้วของิกูุผู้เจ้าของบาทเสียให้อุเทนสัพัดอื่น หากว่าทายกกล่าวไว้ก่อนทีเดียวว่าขอท่านจงมอบบาทเป็นของเฉพาะสงทั้งปวงพึงมอบให้บาทอันเป็นของเที่ตุรับชีรูปหนึ่งก็คืออาบาทของม่รดกผู้มีสีและอัตบาแต่ให้และเมื่อเขานำมาแล้วกล่าวว่าสงทั้งปวงจงบริโภคดังนนี้ก็ให้แบ่งกันฉัน อันหนึ่งทายกผู้หนึ่งผู้นำพัดมาด้วยถาดหนึ่งถวายว่าข้าเจ้าขอถวายพัดเฉพาะสมอย่าให้รูประคําพึงให้กะให้พ อ, อยังอัตภาพให้เป็นไปแก่ิตุรุ่มหนึ่งตามระดับหากว่าเขานำพัดมาแล้วไม่ทราบว่าจะพูดอย่างไรจึงเป็นพูดนิ่งอยู่อย่าถามเขาว่าท่านนำมาเพื่อใคร ท่านประสงค์จะถวายใครเพราะว่าเขาจะพึงตอบเรียนคําถามว่าดับมาเพื่อท่านประสงค์จะถวายท่านเพราะเช่นนั้นที่จุฬาอื่นจะพากันช่ำทีกจุฬา น, นจะไม่พึงเอาใจใส่เธอแล้ซึ่งเป็นผู้ควรเอี้ยวคอแลดูแต่ถ้าเมื่อพิกษุถามว่าท่านจะไปไหนท่านเที่ยวทําอะไรดังนี้เขาจะตอบว่าข้าพเจ้าถือเอาอุเทศสัพัฒมา ทิศสูตรนาีรูปหนึ่งพึงให้ถือเอาตามลำดับถ้าพัะที่เขาดำมามีมาและพอแพก่ทิุทั้งปวงไม่ต้องให้ถือเอาตามลำดับพึงถวายเต็นบาทตั้งแต่เทระอาจลงมาเมื่อทายกกล่าวว่าขอท่านจงมบบาทที่เฉพาะส่งให้อย่าถามว่าท่านจะดำอะไรบาพึงให้ถือเอาตามลำดับปกติด้านแล คุณค่าปายาตหรือบินธบาตมีรถอันไหนสองหน้าอยู่เป็นดิษสําหรับโพชนะประณีตเช่นนั้นพึงจัดลาดับไว้ผแดงหนึ่งยาคูพร้อมทั้งของบริโภคที่เป็นบริวารก็ดีผลไอยที่มีราคามกากก็ดีของขบเคี้ยวที่ประนีตก็ดีก็อย่างนั้นแต่พรับยาคูผลไอยและของขบเคี้ยวตามปกติควรจัดลาดับเป็นอันเดียวกันเสีย เมื่อทายกกล่าวว่าข้าพเจ้าจัด น, นําโดยสายมาสําหรับโดยสายทั้งปวงควรเป็นลําดับเดียวกันด้ำบันทั้งปวงก็เหมือนกันอันหนึ่งเมื่อเขากล่าวว่าข้าพเจ้าจานนัดําดําผึ้งมาสําหรับน้าผึ้งควรเป็นลําดับกันเดียวกันดําอ้อยและเพสัตดีชะเอมเป็นต้นก็เหมือนกันถามว่าถ้าพวกทายกถวายของหอมและระเบียบเฉพาะสม จะควรแจกพิสุผู้ถือเป็นน้ปาติกะทุดมหรือไม่ควรพระอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าควรเพราะว่าท่านเพิ่มแต่อาวิดเท่านั้นแต่ไม่ควรถือเอาเพราะว่าเขาถวายเฉพาะสงอุเทสพัทธ า, าจบแล้วต่อไปเป็นนิบันต ะ, ะพัดถ้าเป็นของส่วนบุคคล ผู้รับเองดั่นแหลเป็นใหญ่ส่วนที่เป็นของสงฆ์คุณก็ให้ถือเอาตามใดที่กล่าวแล้วก็คือแจกันตามระดับได้อุเทสภัสนันแหลก็คือแจกันตามระดับเหมือนกับอุเทสภัตแต่ใด น, นิบันตะพัดน์นี้ถ้าเป็นทูตผู้ฉลาดเขาไม่นิบวนว่าท่านผู้เจริญขอท่านทั้งหลายจะรับพัฒน์หรับภิกษุสงฆ์ในพระราชดิเวท แต่ น, บ น, ตบ น, ต น, น, นิบนว่าขอท่านทั้งหลายจะบรรพติกาดังนี้ใสย่อมควรแม้แก่พิกจุผู้ถือปิณฑาปฏิกะทุดงทั้งหลายถ้าทูลไม่ฉลาดนิบนว่าขอท่านทั้งหลายจะบรรพพัดดังนี้พระพัฒตเทศเป็นผู้ฉลาดไม่ออกชื่อว่าพัดกล่าวแต่ว่าท่านด้วยท่านด้วยนิบนไปดังนี้แม้อย่างนี้พัดดัน ย่อมควรแก่พิจุผู้ถือปิณณปาติกะทุดงทั้งหลายแต่เมื่อพระพระทุเทศกล่าวว่าพัดถือแก่พวกท่านตามลำดับดังนี้ไม่ควรแก่พิจุผู้ถือปิณณปาติกะทุดงถ้าคนผู้มาเพื่อจันทบนุเข้าไปยังโรงฉันแล้วกล่าวว่าถ้าจงให้พิจุแปดรูปหรือว่าถ้าจงให้บาทแปดบาทให้บาทแปดใบ และอย่างนี้ก็ควรแก่ทิกสุผู้ถือปินทปาติกะทุดงก็คือถ้าไม่กล่าวดิบนว่าให้รับพัดนี้ก็ทิสุถือปิณธะปาเป็นวัดนี้ก็รับได้แต่ถ้ากล่าวว่ารับพัดนี้ก็รับไม่ได้พระพัฒตเทศถึงกล่าวว่าดิบนท่านไปด้วยแต่ถ้าเขากล่าวว่าถ้านรงให้ทิสุแปดรูปท่านทั้งหลายจะรับพัด หรือท่านจงให้บาทแปดบาทหรือท่านทั้งหลายจงรับพัดดันี้พระบพัดุเทศพื่อให้พิษุดทั้งหลายถือเอาตามลำดับและเมื่อจะให้ถือเอาตัดบดเสียไม่ออกชื่อว่าพัดพูดแต่ว่าท่านด้วยท่านด้วยนวยีบนไปดังนี้ควรแก่พิษตุผู้ถือเป็นหน้ปาทิกาทุดมแต่เมื่อเขากล่าวว่าถ้านเจ้าข้าถ้าจงให้บาทของพวกท่าน ทีบนท่านเบอร์ดังนี้พึงรับว่าดีละอุบาสกแล้วพึงไปเถิดได้เมื่อเขากล่าวว่าท่านทั้งหลายเจาะโจงเฉพาะจากสงบาเถิดดางนี้ก็พึงให้ถือเอาตามลำดับอันหนึงเมื่อเขาบาจากเรือนดิบันตะตัดพัดเพื่อต้องการบาปพึงให้บาปตามลำดับโดยใดที่กล่าวแล้วได้อุเทสพดัดนั่นแลถ้ายกผู้หนึ่งไม่กล่าวว่า จงให้บาทตามลำดับจักสง์กล่าวแต่เพียงว่าท่านจงให้บาทใบหนึ่งดังนี้เมื่ออยางไม่ทันให้ถือเอาบาทก็ช่วยเอาบาทของวิกจุรูปใดรูปหนึ่งไปบรรจุเต็มดเมเบอร์พัดนันเป็นของวิจุผู้เจ้าของบาทเท่านั้นอย่าให้ถือเอาตามลำดับเหมือนไดอุเทสพัดแบ้ใดดิบันตะนนพัดนีทายกใดเบอแล้วยืนดิ้นอยู่ ทายกนันไอพิกษุไม่พึงถามว่าท่านมาหาใครหรือว่าท่านจัดดำบาทของใครไปเพราะว่าเขาจะพึงตอบเรียนคาถามว่าข้าพเจ้ามาหาท่านจัดดำบาทของท่านไปเพราะเช่นดอนพิุูดนั้นจะพึงถูกพิกษุทั้งหลายเกลียดชังเอาแต่ครั้นเมื่อพิจูดถามว่าท่านจะไปไหนท่านเที่ยวทำอะไรเมื่อเขาตอบว่ามาเพื่อต้องการบาทแบนี้ พึงให้ถือเอาแล้วให้บาตตามระดับพรรษาด้วยพัดตามระดับเหมือนกันได้เมื่อเขากล่าวว่าขอท่านจงให้บาสําหรับนำพัดมาพึงให้ตามระดับพรรษาด้วยพัดตามระดับถ้าเขาดนำมาแล้วกล่าวว่าขอประสงค์ทั้งปูจตรงฉันพึงแบ่งการฉันต้องบดลำดับแร่ที่ล่วงไปแล้วของพิกจุผู้เจ้าของบาเสีย ให้เธอถือเอาพัดเรื่องในลำดับอื่นไปก็คือได้ดับเลยไปแต่ว่าเขาถวายพัดก็ให้ที่สุเจ้าของบาทเนี่ยรับต่อไปได้ทายกผู้หนึ่งนำพัดมาถวายด้วยถาดแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าถวายแต่สงฆ์พึ่งแบ่งการโดยสังเขตเป็นคำๆตั้งแต่ลำดับแห่งโลปัพัดไปอันหนึ่งถ้าเขาดิ้งอยู่ พิสุอยากถามว่าท่านดำมาเพื่อใครท่านประสงค์จะถวายใครและถ้าพิกสุถามว่าท่านจะไปไหนท่านเที่ยวทําอะไรเขาจึงตอบว่าข้าพเจ้าดำพัดมาเพื่อสงฆ์ข้าพเจ้านำพัดมาเพื่อพระเทเรศธรรมนี้ฟังรับแล้วแบ่งให้ตามลำดับแห่งอโลปะัดก็คือพัดที่แบ่งให้เป็นคำคำ ก็ถ้าว่าพัดที่เขานำมาอย่างนั้นมีบ้างพอแก่สองทั้งสิ้นดีชื่อว่าอภิหัตภิกขาคือภิกษุที่เขานำมาเพียงพอย่อมควรแก่ภิกษุพูดถือปิน้าปาฏิกะทุดงไม่มีกิจที่จะต้องถามถึงลำดับพึงถวายเต็มบาทตั้งแต่เถระอาจลงมาอุบาสศกส่งข่าวไปถึงพระสังฆเถระก็ดี พิสุผู้มีชื่อเสียงดืิมด้วยคันธุระและธุดมก็ดีพระพัฒตุเทศก็ดีว่าท่านจงพาพิษุเปอร์แฝดรูปเพื่อประโยชน์ก่การรับพัฒน์ของข้าพเจ้าแมะหากว่าข่าวนั้นจะเป็นข่าวที่ญาติและอุปทาส่งไปก็ดีพิกษุสามรูปบีพระสังฆเถระเป็นต้นย่อมไม่ได้สอบถามเขาลำดับเป็นอันยกขึ้นทีเดียว พิงให้นิบถิกิุแรูปจากสง์บีตนเป็นที่เก้าไปเถิดเพราะเหตุไรเพราะว่าลาบอาศัยพิษุเหล่านั้นจึงเกิดขึ้นแก่พิษุสง์ส่วนพิษุเจ้าของถิ่นซึ่งไม่มีชื่อเสียงทางขันธุระและธุดงเป็นต้นย่อมได้เพื่อจะถามกะะ็นอนเธอพึงถามเขาว่าข้าพเจ้าจะนิบถจากสงหรือว่าจะบากับ พิสุทั้งหลายที่ขับเจ้ารู้จักดังดีแล้วจึงจัดเข้าลําดับปฏิบัติตามที่พวกทา ย, ยกเขาสั่งก็คือจะให้นิบุญพระพิสุเถิดมาจากทรงหรือว่าตามใจของคนที่จะนิบุญก็เมื่อเขาสั่งว่าท่านจงพานิสิตของท่านหรือพิกษุที่ทานรู้จักเบอร์เถิดดังนี้เจ้าได้ที่จะไปกับพิกษุที่ตนปรารถนาก็ได้เขาทรงข่าวมาว่า ท่านรงส่งภิกษุมาแปดรูปพึ่งส่งไปจากสงฆ์เท่านั้นถ้าตนเป็นผู้อาจจะได้ภิกษุในบ้านอื่นพึ่งไปบ้านอื่นหากว่าเป็นผู้ไม่อาจจะได้ก็พึงเข้าไปบินบาส ท, ที่บ้านนั้นแหละภิกษุทั้งหลที่รับนิบนูดนั่งอยู่ในโรงฉันถ้าคนมาที่โรงฉันนั้นบอกว่าขอท่านทั้งหลายจงให้บาสภิกษุผู้บีได้รับนิบนูอย่าให้ เพงบอกว่านี่พิกตุที่ท่านนิบวนไว้แต่เมื่อเขาตอบว่าท่านจงให้ด้วยดำหมีควนห้อยในคราวมีบหากระตกเป็นต้นชนทั้งหลายไปสูงบริเวณและเรือนบําเพ็ญเพียนนิบวนพิษตุผู้ทรงพระไตรปิฎกและพระธรรมกัจจุกับพิกษุร้อยรูปเองทีเดียวแต่การนั้นพิษตุผู้ทรงพระไตรปิฎกและพระธรรมกัจจุกเหล่าเดิน จะพาภิกษุทั้งหลายที่รู้จักไปก็ควรเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าชนวทั้งหลายมีความต้องการด้วยภิกษุสองบูใหญ่จึงไปยังบริเวณและเรือนําเพื่อเพียรหาบีได้แต่เขานิบนภิกษุทั้งหลายตามสติตามกำลังไปจากที่ประชุมแห่งภิกษุทั้งหลายก็คือเขาที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายแล้วแล้วก็นิบนภิกษุไปตามสติกาลังก็ไม่ได้จับชม ก็ถ้าว่าพระสังฆเถระผู้เป็นพิกษุมีชื่อเสียงทงคันธุระและทุดกหรือพระพุทุเทศวดีจำภาษาในที่อื่นหรือไปในที่บางแห่งกลับมาสู่สถานของตนอีกชวนทั้งหลายจึงทาส ก, การะสำหรับอาคันตุ ก, กะพึงพาพิษุทั้งหลายที่รู้จักไปวาระหนึ่งจำเดิมแต่การที่ติดเนื่องกันไปเมื่อเริ่มวาระที่สองพึงนิมนไปจากสงเท่านั้น อันหนึ่ิศตุทั้งหลายเป็นอคตุกะผู้บาใบไปด้วยตั้งใจว่าจะเยี่ยมญาติหรืออุปถัมในที่ดันหากญาติและอุปถัมทั้งหลายของทิกตุอคตุกะเหล่านั้นกระทำสการะก็แลในอาวาสดันทิศตุเหล่าใดทราบจะพาทิศตุเหล่านั้นไปก็ควรฝ่ายทิกตุใดเป็นผู้บีลาบเหลือเฟือฐ า, านะของเธอและฐ า, านะของอคตุกะเป็นเช่นเดียวกัน จนทั้งหลายได้ที่ทั้งปวงตระเตรียมสัมพัทธเสร็จแล้วน้อมอยู่ที่ส่วนนั้นพึงนิมนต์ที่ส่ไปจากสงเท่าดั้นนี้เป็นความแปร ก, กันใดนิบัติรัตพัทปัญหาทั้งปวงที่ยำเหลือพึงสร้างตามใดที่กล่าวแนวใดอุเทสพัทด้านแหลส่วนใดกุรุนทีแก้ว่าเมื่อเขากล่าวว่าท่านจงให้พระมหาเถระาแปรูปพึงให้พระมหาเถระเท่านั้นแปรูป ได้พิสูุน์ตั้งหลายมีพิสูุนผู้ปูนกลางคือพระบัชฑะเป็นต้นก็ได้นี้แลแต่ถ้าเขากล่าวไม่ให้แปลกันว่าถ้าจงให้พิสูุนแปลรูปดังนี้เพิ่มดิบนให้ไปจากสมดังนี้แลเรื่องนิบันตฑละพัดก็จบอันนี้เอาแค่ดี้เพียงพอนี้นนขอนทุกบุตรบสาธุทุกท่านสาธุสาธุสาธุ